ความพอดีหรยอสายกลางไม่ได้นะเพราะนั้นให้ทานอาหารด้วยความไม่อยากได้ไหมเคี่ยวไปตามหน้าที่คือไม่เสพในรสอาหารแต่เคี่ยวไปเมื่อวานนี้ผมทานข้าวเหนียวผมเมาเข้าวเหนียววันนี้คอข้าวเหนียวมาอีกผมเลยไม่ฉันเชาวเลยฉันได้ผลไม้ก็ไม่หิวนะอ่าก็ไม่หิวตอนอ่เพนก็ัะมีกล้วยสักใบหนึ่งอย่างเงี้ย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 เว แ, แต่อาหารที่หลีกไม่ได้อย่างงี้ผมเจอข้าวเหนียวผมไม่มีข้าวหุงให้เลือกเนะอ <laughs> ถ้าเจอข้าวตม้มก็ยันข้าวต้มเนาะสบายกว่ายังบอกว่าเอาพนี้เอาข้าวต้มมาแล้วกันไม่ต้องเอาข้มมาวเหนียวกับข้าวหุงมาข้าวมันสบายกว่าฮะเล่เมาเลยมันไม่คุ้ก<า>มกันนะ่ะนะไม่คุ้มเพราะว่า อ, อ, อ, อร่อยเพียงไม่ถึงชั่วโมงแต่นั่งงอแงก็งงแงทั้งวันไม่คุ้มงินเลย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 ความม่วงกิะอะไรอย่าลืมสูจน์นะนะความง่อนเหตุของความง่วงคืออะไรคือเราเสพความเพลินใช่ไหมเสพความเพลินมันเสพตั้งแต่กินอาหารเพลินนะหรือว่าเสพอารมณ์เพลินอย่างนี้ก็เป็นสาเหตุของความง่วงเพราะฉนั้นต้นเหตุมันว่าเราทําต่อเนื่องอ่ะมันต่อเนื่องแบบความรู้สึกตัวหรือต่อเนื่องแบบพเพลิน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 ไม่เสบเพามง่วงแก้ไขปลายเหตุมาต้นเหตุไม่ได้ไม่ทันแล้วเพราะมันผ่านไปแล้วเพืนแต่มันมาตั้งต้นระวังใหม่นะรู้ว่าอ๋องเพราะเมื่อกีเ้เราเพลินไปหน่อยหนึ่งก็งระมาัดระวังครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นปัญหาเรื่องของง่วงนะนี้ต่อมาผมจะไม่เอ่ยชื่อนะฮะ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 แต่ถ้าหากว่าเรารู้อาการเย็ยนแล้วแข็งเคร่งตึงโดยที่ไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปเป็นกับอาการทางกายนั้นนามมรูปก็ไม่ปรากฏแต่ว่าเราเผลอเข้าไปเป็นเช่าหรือไม่ชอ่บอาการหนักเบาที่ปรากฏนั้นนามมรูปก็ปรากฏเพราะนั้นรูปนามหมายถึงอาการของทางกายนามมรูปหมายถึงอาการของรูปที่เกิดทางจิตรูปที่เกิดทางกายไม่ได้หมายถึงธาตุมเมื่อวานกล่าวไปแล้วว่าธาตุกับ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 หนึ่งร้อยชุดเนี่ยเราจะให้มันชัดสักกี่ชุดอย่างน้อยต้องให้สักเจ็ดสิบไว้ก่อนนะก็ปลอดภัยเจ็ดสิบสามสิบไว้ก่อนอ่าถ้าเจ็ดสิบสามสิบอย่างน้อยก็คือเราได้ละหักกันแล้วเราก็ยังได้อยู่เท่าไหร่นะฮะมันก็ยังเหลืออีกสี่สิบอะใช่ไหมไ้ทั้งสี่สิบก็เกือบเกินครึ่งแล้วถ้าจะให้ดีมันต้องแ0 2สิบยี่สิบยอย่างน้อยก็เหลือห้าสิบฮะ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 ละความถือเนื้อถือตัวได้ไม่ถือมัน่นโดยทิฏฐิไม่มีทิฏฐิมนะยอมกันก็ยอมได้ไม่ชอบที่จะไปเถียงใครเนะี่ยเป็นฝ่ายยอมมากกว่านะถ้าเป็นพระโสดาบันนะไม่นิยมการทุ่มเถียงไม่นิยมขัดแยง้งในพระโสดาบันละได้อันที่สองพระโสดาบันไม่ ส, มสงสัยว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่พระโสดาบันไม่สงสัย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 ปัญญาสามระดับกับสินสาม ร, ระดับหมายถึงอะไรคาว่าประม่าประมัดที่ไม่มีสรู น, นะครับแปลว่าอะไรปัญญาสามระดับทุกคนจำได้ใช่ไหมครับแต่สินสาม ร, ระดับคืออะไรชุนเลยสินมชิมะสินมหาสินย่งงันหรือเปล่าเพราะคาว่าสินสามระดับคือ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 คือเครื่องคัดอันนี้ศีลสามระดับในแง่ภาคปฏิบัติแต่อาชีวประิอาชีวปริสุธิศีลก็คืออย่างที่กล่าวแล้วว่าสํารวมที่4ีหกสํารวมในคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็สํารวมในการเสดจประใจศแล้วก็ปรับความเพียรนี้เป็นศีลอาชีวปริชุธศีลนะครับดัง <één S 2> <c oughs> นั้นท่านคงจะหมายถึงว่าศีลระดับถือระดับเพลา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 ไม่สนอเสืสเรื่องอาเทิสอาเทิส อ, อาเทิส อ, อุเทศปฏิหารนะหรืออิธิปริหารแต่ท่านสนอเสืส่เรื่องอนุสาสนีปฏิหารนะครับือหมายความว่าสามารถอธิบายในสิ่งนั้นให้เข้าใจตามลำดับปฏิหารแบบนี้แน่นอนกว่าพุริยาว่าท่านถึงใช้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 เฉนะยเลเฉยแบบไม่รู้รู้มันอะไรเกิดขึ้นขเขาค่ยเฉยๆนะครับดูเมันเขาไปกับโต๊ะก็ตักกับเพื่อนถ้าถามว่ารู้หรือเปล่าอะไรเกิดผมไม่รู้เขาเขาเฉยได้อ่ะฮแต่บางคนมันรู้มันเฉยไม่ได้ไอคนนี้รู้เฉยได้เขาเฉยนี่มันแหววความมันรู้แจ้งแทงตลอดนะแต่ว่าเพราะไม่รู้นั่นเองจึงเฉยนะี่กษณะนี้นอุปเกษาเวทนา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 ใช่หมมันเพิ่งเกิดเพราะจิตมันเกิดจากการกระทบถ้าไม่มีการกระทบจิตมันเกิดไม่ได้เสียงละครั้งเนี่ยถ้าไม่ตีเนี่ยไม่มีนะถ้าตีเมื่อไรมันเกิดนะถามว่าตอนละครั้งที่เราไม่ตีมันเนี่ยมีเสียงไหมไม่มีถามว่าละครั้งนี่ดังไหมไม่ดังเพราะเลาไม่ตีมันแต่ไ่ตีมันไม่ไดรมันดังนะฮะจิตนี่ก็เหมือนกันเกิดจากการกระทบเรียกว่ามโนวิญญาณหรือกิตตวิญญาณ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 สมัครพระเนปนไปเรียนภาษาอังกฤษกับด ร, รได้ไดฮะหลืออไ ด, ได้ก็ต้องหาเงินเดือนให้แกนะทำกิจกรรมได้ ก, ก็อันนี้คือหมดเวลาพอดีนะครับก็นำเอาสิ่งนี้ไปพินิพิจนาปัญหาทั้งหมดถามจากอารมณ์ปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการสอบอารมณ์ไปในตัวแต่ว่าทุกคนท้องปลัวนั้นต้องเอาไปทำนะครับ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 เพราะนั้นเวลาเราสร้างจังหวะเนี่ยเราไม่ได้เอาลมหายใจเนี่ยแต่เราใช้ธาตุลมลมหายใจกับธาตุลมต่างกันยังไงหลมงตาลักแต่ว่าเราลมหายใจมันออกเฉยเฉยเฉะจมูออกใช่ไหมแต่ธาลมมันออกทั้งเนื้อทั้งตัวเลยภาบตานี่เป็นเป็นธาตุลมนะ เ, เ, เวลาพูดว่าใช้ธาตุลมเวลาจับอยู่ก็กเป็นธาตุลมเป็นอาการของธาตุลมนี่เรียกว่านี่ใช้ธาต เพราะนั้นเราไม่ใช้บอกว่าผมไม่ได้ใช้อานาปนสติกับแต่ผมใช้อาวาโยธาอวาโยธาตกับมฐานก็คือจดูธาตุวัฐานใช่ไหมเราใช้ไม่ได้ใช้อานาปนสติเพราะในกายานุปัสนาวหนึ่งอนาปนสติสองยี 4, ่บุสี่สามบมุย่อยสี่คือก็คือธาตุทั้งสี่ดีดับลงไฟใช่ไหมเนี่ยเราใช้ธาตุสี่